คนเราแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานความดีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยทั้นนั้นเด็นแต่นั้นจะพบว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลแต่ละคนมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากและเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจะมีเหตุการณ์เป็นอันมากที่จิตใจเราไม่ถูกปลุกเร้ราให้เกิดความกับหนัด ความโลภความอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดความรู้สึกขัดเคืองไม่พอใจหรือหงุดหงิดไม่ได้เกิดความมัวเมาประมาทในสิ่งเหล่านั้นซึ่งแสดงเห็นว่าในขณะนั้นกระแสของอารมณ์ที่มากระทบไม่ได้ไมได้มีอิทธิพลเหนือใจเราและเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจในเรื่องราวหลานั้น คามเปลี่ยนแปลงที่จะโน้มเอียงไปสู่การเพิ่มกระแสะของกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ในขณะเดียวก็มีอารมณ์เป็นอันมากที่เมื่อมากระทบแล้วจิตใจก็แปรผันไปด้วยอํานาจของอารม์นั้นๆจะเกิดกํำลัดเพลิเพลินยินดีควยควาปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นในสถานะตําแหน่งนั้นๆ ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นภายในจิตว่ามีความเร้าร้อนมีความกระสรับกระส่ายจิตมันดิ้นเพื่อข่อยคว้าปราถนาอารมณ์เหล่านั้นถ้าเกิดขึ้นรดนแรงมีความเปลี่ยนปิดเปลี่ยนแปลงทางกิตรุนแรงขึ้นแล้วจะออกมาในรูปของการล่อยควา้าแสวงหาซึ่งถ้ากิเลสแรงแล้วก็ต้องเป็นการแสวงหาในทางที่ปิด บางครั้งมีอารมณ์กระตุ้นจุดเกิดความเกิดเครื่องความเปลี่ยนแปลงภายในจิตก็ออกมาเป็นรูปของความ ร, าร้อนเช่นเดียวกันเดือบร้อนหรือเพลิงของโทสะมุ่งไปในทางเบียดเบียนทำลายล้างคนรู้สัดที่ทําให้ตนไม่พอใจแต่การเกิดขึ้นของโทสะนั้นก็อยู่ที่พื้นฐานทางใจของเรา และกำลังสติสมัมปชัญญะที่จะคุมความคิดในขณะนั้นนั้นดังนั้นจะพบว่าบางครั้งกำลังสติสมัมปชัญญะมันจอดพลังกิเลสมันแรงแม้เดินสะดุดของที่เขาวางไว้เราก็เกิดโทสะบาั้งที่ของมันอยู่กับมันอย่างนั้นก่อนแล้วเราก็เดินสะดุดเองเราก็ขาดสติเอง แตนที่จะทำนิตัวเองว่าบกพร่องเดินไปดูจะทำนิคนอื่นหรือไม่พอใจในตัววัตถุสิ่งนั้นแต่บางทีจะออกไปทั้งสองอย่างคือจะโกรธจนถึงกับใช้มือใช้เท้าทำลายสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปากก็ไปด่าคนเที่ยวของเรา น, นั้นมาวางไว้แสดงโทสะมันก็เกิดอยู่ในจุดที่เราปุ่มไม่ได้แต่ออกมาในรูปการด่า แต่ที่เป็นเช่นนั้นถ้ามองกลับไปทีหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเกิดจากโมฆะคือความไม่รู้เหตุรู้ผลเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องเราทําเองแต่พอจะให้มีการผิดได้มีคนผิดเราก็โยนความผิดไปที่อื่นเพราะถูกสิ่งนั้นเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้มียิดเขาไม่ได้มีเจตนา อาจะวางอยู่ตรงนั้นนานแล้วหรืออาจจะใครหยิบมาวางก็ตามแต่สรุปว่าเขาไม่ได้ผิดแต่แม้คนที่วางเอาไว้เขาก็ไม่ได้จงใจที่จะให้เกิดความผิดแต่เราก็กลายเป็นคนผิดไปเองในจุดนี้ถ้าหยุดดูจิตของตัวเองก็จะพบว่าในขณะนั้นกําลังหลักในการภาวนา คือสติสมปชัญญะความเพียร ถ, ถือว่าต้องใช้แล้วก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าต้องการสมาธิที่มั่นคงหรือปัญญาที่แหลมคมธรรมาสามารการนี้จะต้องมีกำลังมากแต่ถ้ามีกำลังน้อยมันก็ปะทะอารมณ์ไม่ไหวเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องกิดมาได้ หรือในลักษณะนั้นเองบางครั้งนี่สติสัมปชัญญะความเพียรก็มีกำลังสูงกว่านั้นการเดินไปสะดุดสิ่งของที่ก็วางไว้ก็จะรู้สึกตําหนิตัวเองแล้วก็หยิบของนั้นไปวางไว้ที่อื่นจนคนนี้ไอ้เรงสังเกตว่าบางครั้งอาการเหล่านี้ก็ปรากฏในชีวิตของเราพอเดินสะดุดไปแล้วก็ไม่ตําหนิใครรู้สึก ตำหนิตัวเองแล้วก็หยิบของนั้นเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาสะดุดจนแตกหรือว่าไม่ให้คนอื่นบาดเจ็บก็แสดงว่าถ้าหยิบเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาแตกกรรมก า, ามปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของสิ่งดหลนั้นว่าไม่ควรแตกแต่ถ้ากลัวว่าคนอื่นจะเดินสะดุดเอาอีกบาดเจ็บก็แสดงว่าเกิดเมตตาในตัวคนที่จะมาสะดุด คุณลักษณะเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในบางโอกาสที่เราเดินไปแม้บนถนนหนทางเศษกระเบื้องเศษแก้วถูกทิ้งไว้บนเส้นทางก็กลัวว่าคนเดินที่ไม่สวมรองเท้าจะเหยียบเอาจะเกิดสงสารต่อใครก็ไม่รู้เขาก็ยังไม่ได้เหยียบแสดงไว้ใจมันก็แผ่เมตตาออกไปถึงคนแม้แต่ที่เราไม่รู้จัก ล้วก็หยิบเศษแก้วหลดนั้นไปทิ้งถังขยะเสียแสดงว่าภาวนาวกเกิดในขณะนั้นตติตสัมฌัญะก็มีกำลังแรงแล้วก็แผ่ออกมาเป็นรูปของเมตตาธรรมเมตตากรุณาแต่คนบางคนนั้นอาจจะไม่โกรธตัวเองหรือโกรธใครในการไปสะดุดวัตถุสิ่งของแต่อาจจะโกรธแม้แต่สัตว์ชิชัน จเจ็เสียงสุนัขเข่าคอนเสียงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ยจะโกรธจะไม่พอใจในการเ ข, ข่าคอนในการส่งเสียงของสัตว์เหล่านั้นแสดงว่าในขณะนั้นสติสัมปจนยะก็น้อยไปแต่ถ้าสติสัมปจนยะเรามีมากพอเราก็ไม่โกรธมองอะไรมองในแง่ธรรมชาติของเขาคือสังเกตว่าการมองแนวธรรมชาติ ที่เรียกว่าธรรมตจิต ต, ตาธรรมนิยาม ต, ตามันเป็นอยู่อย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นสภาวะเขาเป็นอย่างนั้นบางครั้งสงใช้คิดด้วยภาษาสั้นๆง่ายๆว่าตาตาคือมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าใจเราไม่เอื้งเข้าไปรับก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำ หมาก็ส่วนหมานกก็ส่วนนกคนก็ส่วนคนคือแยกออกมาได้แสดงว่าสติก็เกิดขึ้นมีกำลังแรงปิดกั้นกระแสของโทสะที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางครั้งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วปัญญากาวีนิชัยเห็นว่ามันนอกเรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราการที่เกี่ยวเราก็ไปดึงให้มาเกี่ยวเองที่จริงแล้วอารมณ์นั้นเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้น เพาในแนวขการปฏิบัติที่ทรงสอนทรงสอนทั้งประสาทอยายตนะภายในและภายนอกแล้วก็ตัวความคิดสอนในกรณีอยายตนะภายนอกก็ให้หยุดบุคคลหยุดคิดว่ารูป ก, ก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ ถ้าลองตั้งปัญหาถามว่าความคิดหลังอย่างนี้เราคิดได้ไหมก็ตอบว่าเราคิดได้มาตั้งนานแล้วแล้วยองอารมณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเทียบรูปเสียงกลิ่นรสผุ陀พระธรรมลมที่ปีติผลต่อใจก่เอเกิดความรักความชังกับมีความรู้สึกเฉยเฉยคือไม่สนใจไม่รู้ด้จะทำไง อารมณ์ในแนวเฉยๆไม่สนใจไม่รู้จักเนี่ยจะมีมากกว่ามากถ้ามองกใกล้ๆคนในโลกเนี่ยที่เราไม่รู้จักมากเหลือเกินคนเหล่านั้นไม่มีทิพย์ผลในการสร้างความรู้สึกขึ้นภายในใจเราในโลกของความรักความชังจะถามว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไม่รู้จักเมื่อเราไม่รู้จักเราก็ไม่มีความรักความชัิงมื่ไม่มีความรักความชัง เพราก็มีทิพลอะไรที่จะสร้างความรู้สึกรักชังให้เกิดขึ้นในใจของเราแต่ถามว่าความรักชังมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากเราเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากเขาคือเราไปไปกําหนดอารมณ์หล่อนนั้นเอาไว้ในทางที่จะจะเพิ่มกิเลสแล้วเกิดกิเดสรูปกสัคเทวิรูปถ้าเรากําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจความใคร่ความปรารถาก็เกิดขึ้น เกิดขึด้นพอเราปรุงมันมันเกิดมันไม่ใช่เขาเป็นคนปรุงเราแต่เราปรุงขึ้นมาเองบางครั้งเกิดความขัดเคืองความคับแค้นความไม่พอใจรูปเสียงเหล่านั้นก็คงเป็นรูปเป็นเสียงอยู่เพียงแต่เราดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องดึงเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเองซึ่งบางครั้งเขาไม่รู้ได้ทาไป ท่นนี้เปืนสังเกตว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์ทางใจของตัวเองที่ว่ารู้สึกรักพอใจในคนหนึ่งที่เราไม่รู้ที่เขาไม่รู้หรือรู้สึกขัดเคืองในคนบางคนที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเรากัดเคืองครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้มีส่วนก็อยู่อย่างที่เขาอยู่ก็ เ, เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาไปอย่างที่เขาไปาเพียงแต่เราไปกําหนดให้เกิกิเลสขึ้นมาเอง นั้นเป็นการสอนในแนวที่ให้มองที่อยายทนะภายนอกคือรูปสิยงกิดรถแต่บางครั้งก็มองที่อายทนาภายในของเราคือว่าตาไม่หาเรื่องหูไม่หาเรื่องจมูกไม่หาเรื่องลิ้นไม่หาเรื่องปากไม่หาเรื่องใจไม่หาเรื่องที่ยิงใจมันหาเรื่องอย่างเดียวประสาทสัมผัสดีข้าอย่างก็เป็นเครื่องมือของใจแต่นั้นเองก็มองในแง่ที่ว่า ก็สักเตว ต, ตาหูก็สักเตวหูหมายความว่าไม่ใช่ประสาทสัมผัสส่วนนี้ไปดูรูปเป็นต้นจนใจต้องไปกำหนดด้วยอำนาจของความกับนั่นถึงบางทีการปฏิบัติในแนวนี้ก็ค่อนข้างยากไปโอเคยุ่งรุนรรงคือจะมีด้านละตั้งหก ในเพื่อเกิดเป็นการตำรวงระวังก็ส่งสอนให้มาดูที่จิตอย่างที่ทรงอุปมาเป็นรูปวัตถุให้ดูให้ดูตาบ้างให้ดูจอมปลวกบ้างพอรา่างกายของเราก็เหมือนกับจอมปลวกที่เก็บสะสมหมักหมมสารพัดอย่างแล้วมองจากจอมปลวกจอมปลวกเป็นเป็นกระบวนการก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราเริ่มก่อตัวกันมาจากนิดเดียว เราก็เพิ่มพูนขึ้นไปได้มีความแข็งแกร่งมีความทนทานถึงจุดหนึ่งก็ถูกพังทลายไปโดยเงื่อนไขาการเวลาบ้างโดยเงื่อนไขของปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมบ้างหรือทําลายโดยตรงบ้างจอมปลวกก็หมดความเป็นจอมปลวกไปนั่นเป็นการมองในแนวของทุกขสัจแต่งทีก็มองในแนวของมรรคสัจคือเพื่อเกิดสมบุระหว่าง ดูกบมาเห็นว่าจอมปลวกนั้นมีช่องอยู่หช่องจะมีสัตว์อยู่ในจอมปลวกเหล่านั้นถ้าบุคคลต้องการจะจับสัตว์ไปจ้องไว้ทั้งหกช่องมาต้องใช้คนหกคนแต่การปฏิวัติธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนอื่นอย่างดีก็บอกกล่าวชี้แจงอธิบายให้เหตุผลเท่านั้นเองไม่มีใครที่จะช่วยลดกิเลสให้เราหรือเพิ่มธรรมะให้เราได้ การลดการเพิ่มก็เป็นเรื่องของเราเองแม้แต่พระเจ้าก็ทำแค่บอกให้เท่านั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีเป่ากระหมอมจะกิเลสลดไปหมดหรือว่าธรรมะเพิ่มเกิดมาแต่การจะลดจะเพิ่มเป็นเรื่องความเพียรพยายามของบุคคลแต่ละท่นเองว่ามียิ่งหรือมีย่อนอย่างไงเพราะในจุดนี้ถ้าหากว่าสารวมระวังคือปิดที่สักหาช่อง แล้วก็ปล่อยให้สัตว์แกออกมาทางช่องที่หกหมายความสำนวนระวับบงที่ตาจมูลิ้นกายแต่ใช้จิตดูจิตใช้จิตดูอารมณ์ใช้จิตที่ดูสิ่งที่ปรากฏแก่จิตซึ่งก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราดูเรื่องอื่นๆเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายที่พนักงานรับผิดชอบในแต่ละจุด แต่ละคนก็รับผิดชอบในขณะที่วัสดุส่วนนั้นผ่านมาในกรอบความรับผิดชอบของตัวตัวดูตรงไหนบกพร่องตรงไหนควรจะเติมตรงไหนควรจะป้ากไปรับผิดชอบจะพาะจุดตรงนั้นเวลาแกไหลไปที่อื่นมันก็เรื่องคนอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราซึ่งยัได้ว่าการดูจิตในแต่ละขณะก็เป็นเช่นนั้นท้จิตของเราก็เป็นยางไงบ้าง พอดูว่าเป็นยังไงมันก็มาถึงว่าจะดูอะไรเพราะอารมณ์ของกรรมฐานตอนแรกได้สืบเรื่องกับจิตจะดูถึงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเรียกจำนวนกรรมฐานก็ว่าเป็นเวทนาอุปษษสรรคสติปัฏฐานแล้วก็ดูที่เวทนาในการที่จิตสวยอารมณ์ แล้วในขณะที่ดูนั้นเราจะเห็นว่าเวทนาเองเขาก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยถ้าหากว่าไม่มีเหตุปัจจัยเราก็ตัดกระแสะของเวทนาเ้าได้เป็นการวิัติในตอนต้นคือการสารวจระวังอินทรีย์ไปช่วยตัดกระแสะของอารมณ์ไ้เป็นนั้นมากอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ปรากฏอยู่ที่จิต ไปไหลเนื่องไปกัจิตประตูกัดไปแล้วหรือการมองในแนวรูปสักติวรูปเสียงสักติ ว, วะเสียงหรือาตาสักติวะตาเป็นต้นเนี่ยตอนนั้นก็ตัดกระแสแล้วอารมณ์ที่เราตั้งใจสํารวมระวังมาเกิกิเลสอีกกิเลสที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีอยู่ภายในจิตก็ทําให้เห็นว่า เวทนาเขาเกิดมาจากเหตุปัจจัยอย่างนี้ปัจจัยจภายในก็มีภายนอกก็มีเวทนาในดเราไม่ต้องการเราก็ตัดกระแสคือตัดเหตุของเวทนาเรานั้นซึ่งตามปกติแล้วเพื่อสังเกตว่าบันเทิงร่างกายเรานี่ยเป็การบริหารร่างกายให้มีสุขภาพสะอาพปราณำไม่แข็งแรงเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายเรามีความคล่องแคล่ว ในการปฏิภารกิจการงานนะดีกว่าที่จะไปรักษาโรคดีกว่าที่จะไปเยียวยามันเพราะการเยียวยารักษาโรคการนอนโรงพยาบาลที่จึงร่างกายโทรมไปแย่และสูญเสียเวลาไปแย่ธรรมะส่วนใหญ่จึงมองไปที่การเพิ่มความดีให้เกิดขึ้นกลายเป็นภูมิด้านฐานของกิเลสหรืออารมณ์ทั้งหลายเพราะในกรมีความโกรธที่มีอารมณ์กระทบ ดาทยอยตัยยอย่างไวในตอนต้นแต่จะพบว่าคนบางคนนั้นกโกรธแม้แต่วัตถุสิ่งของคนบางคนไม่กโกรธวัตถุสิ่งของแต่อาจจะกโกรธสัตว์โดยสารเวลาแก็กโกรธก็เป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูคือดูแล้วที่จริงก็น่าขำจนบางทีก็โกรธแมวตัวตเล็กๆก็ใช้ไม้ตีใหญ่กว่าขาแมวตัอ่ คือใจไม่ได้คิดว่าถ้าใครเอาไม้มาตีเราแล้วก็ไม้นั้นโตกว่าขาเราเนี่เราตายแน่นแต่ในขณะนั้นโทรศ์มันครอบกามใจก็ไม่ได้คิดในใจจงเหิดจึงผลอะไรเราจะเห็นภาพคนตัวโต ๆ, ๆไปยิงนกตัวนิดเดียวมีเครื่องทุ่นแรงด้วยสู้กับ น, นกก้นแสดงด้เห็นว่าจิตใจนั้นมีโมขะ บางเหตุผลสติปัญญาเอาไว้และตัวนี้เองถ้าหากว่าเหตุผลสติปัญญาเกิดขึ้นมันก็หยุดได้อย่างที่ท่านเล่าถึงพ่อกระโหกไปเที่ยวในปรร่าด้วยกันพ่อถือปืนลงไปพอเห็นนกเกาะอยู่บนต้นไม้ก็เล็งปืนจะยิงลูกสกิดถามมาทําอะไรพ่อพ่อก็บอกจะยิงนก ถามมยิงมันทำไมแล้วเวลามันตายแล้วเนี่ยลูกมันจะอยู่กับใครบาเมืองก็พ่อตายเนี่ยผมจะอยู่กับใครเดี๋อย่างนี้ต้องกระตุ้นสติสามั ญ, ญญาให้แก่พ่อเขาก็หยุดการกระทําที่แสดงถึงความมารโหดรุนแรงขาดเมตตาธรรมและไม่รู้จะทําไปอะไรด้วยไม่รู้จะทำไปทําไมด้วย ดังนั้นการต่อสู้ระหว่างสติสัมปจน์ความเพียรกับกิเลสเนี่ยมันก็ต่อสู้อยู่ภายในจิตเราไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเจริญกรรมฐ า, านที่จริงตลอดชีวิตแต่วันี้ก็มีกาลังแรงเนี่ยแม้แต่สัตว์เดือดฉันเราก็ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายแล้วประมาถึงคน ตามปกติแล้วคนสามัญปกติเนี่ยเขาจะโกรธได้ก็ เ, เฉพาะคนนั้นนั้นเองเขาไม่ไปโกรธสัตว์ไม่ไปโกรธต้นไม้ไม่โกรธภูเขาไม่จะ ข, ขนตกก็แช่งคนแรงก็ดา่าจะไม่ได้จะด่าใครลักษณะอาการมงงายได้เหตุผลแบบนี้ยคือบางทีเราไม่ได้สังเกตเช่นว่าคนดูมวยในโทรทัศน์ที่เชียร์กันส่งเสียงเชียร์เต้นแรงเต้นกาชกอย่างนั้นชกอย่างนี้ พูดกับกระแสไขควงแทๆ้ๆแล้วก็ทั้งๆ ท, งที่ตัวเองรู้ว่ามันมันไม่ได้ยินอะไรหนวกหูคนอื่นด้วยหนวกหูตัวเองด้วยแต่เพราะโลภะเพราะโมฆะที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาคนก็ทําไปอย่างนั้นมีความโศกมีความดีใจมีความเสียใจไปตับบทบาทของการแสดงที่จริงก็อยู่ในฟิล์มหนังเท่านั้นเองแตนั้นก็คือก็คือ สติสัญยะความเพียรมันมีกำลังไม่มากพอที่จะไปรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมาแยกแยะไม่ได้จิตใจก็ถูกครอบงำโดยอารมณ์เหล่านั้นแทนที่จะใช้เหตุผลหาเหตุผลหาหลักคิดหาหลักธรรมะจากเรื่องราวเหล่านั้นก็กลายเป็นถูกครอบงำด้วยเรื่องราว ห, หล่านั้นใจมันก็เต้นไปตามจังหวะที่มีการแสดงอยู่ในเรื่องนั้นๆ คามพพระสติสัญญาเขาเพิ่งขึ้นเนี่ยแม้แต่คนเองเขาก็ไม่โกรธ ถ, ถ้ามาโกรธบางคนแต่การไม่โกรธคุสังเกตว่ามันมีธรรมะเป็นฐานอยู่เช่นว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ญ า, ญาตาิยายพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่โกรธหรือบางคนไม่โกรธไปเลยเทถามว่าทาไมเรามีความเคารพมีความนับถือมีความรัก มีความกระตันอยู่กตเวทีเป็นฐานใจยอยู่แล้วถ้าฐานใจยอย่างนี้มันมีอย่างนี้แม้คนอื่นเราก็ไม่โกรธทาให้เราเห็นว่าคนบางคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราทางสายเลือดแต่ก็มีคุณอุปการต่อเราเราสานึกกระตันอยูกตเวทีต่อท่านด้วยความเคารพนับถือศรัทธาในตัวท่านเพราะงั้นท่านจะทําอะไรเราก็ไม่โกรธเหมือนกัน และการเสริมแนแนวฐานใจก็คือแนวภาวนานั่นเองมันเกิดที่ใครก่อนก็ได้แต่น้องๆกับคนสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วทดลองที่ไหนก่อนก็ได้เป็นเหมือ น, นการเล่นกีฬาเขาก็ซ้อมในที่สนามไหนสักแข่งหนึ่งแล้วต่อไปไปเล่นที่สนามไหนก็ได้ซ้อมในเมืงองไทยไปเล่นในทั่วโลกธรรมะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นสําคัญว่าให้มีอยู่ภายในใจ ในคนบางคนเช่นคนบ้าทำไมเราไม่โกรธเพราะปัญญามันคุ้มครองใจสติสัมปจนยะมันคุ้มครองใจเราเลึกรู้ว่าคนนี้เขาบ้าหรือคนเมาเองเขาก็ไม่ได้เป็นรวงเขาเองก็ถูกครอบงำด้วยสุราขาดสติสญญัมปจนะกิริยท่าทางคำพูดคำจาจะหยาบช้าอะไรก็ช่างเขาเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เมาอย่างเขา ถ้าเราไปโกรคนเมาก็แสดงว่าเรามากเราเมามากกว่าเขาในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกลุ่มคนพานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนโกรธคนอื่นแล้วไม่ขอขมากับกลุ่มที่สองก็คือเพื่อนขอขมาแล้วไม่ยอมเอาไปให้จะถามว่าใครเร็วกว่าก็ตอบว่าคนที่สองนั้นเร็วกว่า เพราะอะไรเพราะคนน้นผิดไปแล้วสานึกก็เป็นความผิดแล้วแก้ไขแต่เรานั้นยังไม่ได้ผิดอาศัยความผิดของเขามาทำความผิดเพิ่มผิดที่พูดง่ายว่าอาศัยความชั่วเป็นเครื่องมือในการทำความชั่วเป็นการกระทาในลักษณะคล้ายๆกับป้าฝุ่นทวนลมหรือถมนงหลายรถฟ้าตำรวจมาเข้าหน้าตัวเองเท่านั้น เราอาจจะไม่ถือสาความกับเด็กเพราะเราเมตตาเรารักเธอสงสารเธอเรารู้ที่ภาวะของเธอเด็ ก, เ, ดกเล็กๆทั่วโลกเรามีความรู้สึกสงสารเมตตาเพราะนั้นเด็กจะก้าวร่ารุนแรงอะไรก็ดูน่ารักไปแสดงว่าภูมิใจของเราในขณะนั้นมีธรรมะคุ้มครองเอาไว้ศาสาวแธะธรรมะทั้งหลายนี่ก็คุ้มครองทางนั้นไม่ใช่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง การควบคองใจของธรรมะนอกจากแกรักษาใจให้สงบเย็นแล้วอย่างตอนนั้นที่ป้องกันอารมณ์ที่มากระทบถ้าไม่แรงเกินไป ใ, ใจก็สงบอยู่ได้คือไม่กำนัดกัดเรืองรูกหลงมัวเมาไว้ได้ดังนั้นการปฏิบัติในแนวนี้เราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยแม้เราอาจจะโกรธ แต่สติธรรมยัญญาที่เขามีเป็นฐานอยู่หรือเมตตาที่มีเป็นฐานอยู่กรัตัญญูที่มีเป็นฐานอยู่เนี่ยมันเป็นพลังฝ่ายเย็นกิเลส้นเหมือนพลังฝ่ายร้อนมันบุกขึ้นมาทำความความเย็นกว่าเดี๋ยวก็ดับก็ทำมองคล้ายๆกับดวงไฟไปตกลงบนน้าแข็งมว่าเดี๋ยวก็ดับ นั้นคือใจที่มีฐานเพรา ะ, ะ น, นแนวภาวนาเนี่ยคือการสร้างใจให้มีฐานที่ว่าตั้งมัน่นก็คือสมาธิก็คือตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในอะไรตั้งมั่นอยู่ในธรรมะที่เป็นฐานมันม่นคงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ตันเรียงเป็นรูปของสมาธิเป็นลาดับแล้วก็จานก็ไปตามลาดับเลยพบ ว, ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าใจปนฐานมั่นคง ไม่หนักหนาะสาหัสกันจริงๆแล้วก็ยกครองไม่ได้แต่อย่างที่ทราบกันว่าระดับสมาธินั้นโยกครองได้เพียงแต่ว่าต้องแข็งแรงหน่อยเพราะใจไม่ได้มั่นคงผู้ปฏิบัติเองก็เป็นการสงบกิเลสโดยเรียกว่าที่เรียกว่าวิคัมนาปาหานดวยวิคัมนาปะหานคือดูดพ้นดูมากึ่งกิเลสโดวยวิธีเหมือนเอาศิลาไปทับหญ้าไว้ ในยียงใต้ศิลานั้นก็คงมีญาอยูยิ่งแต่ศิลาปิดบังเอาไว้ญาก็ไม่ปรากฏแน่นอนไม่ใช่มั่นคงเด็ดขาดแต่นั้นก็คือผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ใยใจของตัวเองว่ามีความสุขอย่างไรมีความสงบอย่างไรในใจิตใจที่เคยโกรธเคยริษยาเคยอักข่าาเคยโลภ มันจะโกรดน้อยลงหรือสยาน้อยลงโกรธน้อยลงโลภน้อยลงหรือบางทีจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่กิเลส ต, ตกค้างอยู่ไปในใจจะสั้นลงคนบางคนพยาบาทกันตั้งแต่หนุ่มสาวจนแก่ตายไปยังพยายาทบัดอพยาบาทเข้าลงไปด้วยทำงานเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติต่างๆไว้เป็นอันมากมต่ไม่เอาไปเอาไปไม่ได้ แต่ยังย s a h a เอาความโกรธเข้าลงไปความรัยาบตทเข้าลงไปความลิษยาขัดเือเข้าลงไปนั้นแสดงว่าใจไม่ได้มีสติไม่ได้มีสัมผัญญาที่มีกำลังมากพอจะไปแค่ไอตัวความโกรธที่ติดใจออกไปแต่ถ้าเราปฏิบัติจนมั่นคงระสมควรแม้จะวูบขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยช้ำนิ ด, นด ยิง่งถ้าเรามองที่พระพุทธเจ้าโดยรู ป, ปรธรรมคิดในแง่ของนามธรรมที่บอกว่าปฏิวัตทัตกลิ้งขินสเก็ตไปกระทบประบาดโดนหอบประโลหิตนิดหนึ่งถ้าเรากลับมาดูที่จิตใจพ่าจิตใจเวลากระทบอารมณ์เอาขนาดนั้นคือชํำนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจะหายไป ก็ดีกว่าที่จะเก็บความโกรธความกหนัลความเกิดเคืองความมัวเมาความร้ายเหตุผลเอาไว้เป็นปีๆหรือว่าเป็นวันๆหรือว่เป็นเดือนๆเนเพราะอะไรเพราะว่าผลที่เราต้องการคือความสุขความสงบความเยือกเย็นนั้นมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นความร้อนนั้นจะเกิดขึ้นก็ช่วงระยะเวลามันสั้นหนาจิตใจที่มีความตั้งมั่นด้วยพลังของสมาธิ เป็นจิตใจที่ให้ความสงบความเยือกเย็นเพิ่มปริมาณของสติสัพันยญาความเพียรใ้มีกำลังมากขิงขินจะมีธรรมะเป็นเรือนใจและคุ้มครองใจรักษาใจทำให้ใจมีโรคน้อยลงจะเปลี่ย น, นชีวิตก็คือไม่ถึงกับป่วยเจ็บๆอดๆแดดๆ น, นานจะป่วยสักครั้งหนึ่ง แต่บางทีมก็หายไปได้เลยโดยไม่ต้องเ ย, อยียรักษาความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นได้แก่คนทึ่งสามารถปฏิบัติพินมพูนส่วนกุศลนธรรมให้สูงขึ้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป